أعوذ ب, الله ب الله ا ل ل ه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله ب ص ل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا ع ل م ن ا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ر ب ش ر لي صدري ويسر لي أمره حل العقدة من لساني يفقه قولي บ نا ظلمنا أنفسنا و إ ل م ت ف ر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ب ن ا آ ت ن ا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة و ا ق ن ا عذاب النار الحمد لله سورة المدثر น่าจะประมาณ2ตอนนะครับจะได้จบตั้งแต่อายที่เออนีดนะครับอัลล بالله من الشيطان الرجيم <س ؤ> ال> كل نفس بما كسبت ر ه ي ن ั كل نفس بما كسبت ر ه ي ن น إلا ล้า أصحاب اليمين อิลล أصحاب اليمين ในจั ا นตี س าต อ ل นอัลมุจิริมีมะซาลักคุมฟีซักร์กาลูลัมนักุมิ م อัลมุสลิล วะแลُ้นักَนาที่รัก ا ัِ ว ك ن ุณนُ้ ب ด ي و บย่อมดَวะ ن ุณน้าค ي บุบย่อมดีผัด ا ن ้ ا เอต ي น فما تنفعهم شفاعة الشافعين الحمد لله ทุกคน บีมาค سب ัตราหีนะอันนี้เราอ่านไปแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วทุลนั้นสินบีมาคสบัตราหีนะความว่าชีวิตทุกชีวิตนั้นถูกจำนองด้วยพฤติกรรมหรือการกระทมของเขาเหมือนกับว่า คำสั่งต่างๆของ Allah سبحانه وتعالى เลีฟสิ่งที่เราจะต้องทำอาลต่างๆที่ Allah ะ ع ا สั่งให้เราทำนั้นกิดได้เหมือนกับนี่นี่ที่เราต้องจ่ายให้กับ Allah การละหมาดเป็นนี่ที่เราต้องจ่ายให้กับ Allah เวลาที่เราละหมาดก็แสดงว่าเราได้จ่ายนี่เราได้ปลดหนี้ของเราละ คนที่มีตังค์จำเป็นต้องจ่าย z a าก a าก็แสดงว่าเขามีหนี้เขาจำนองตัวเองอยู่กับ z a กา t จะให้ตัวเองรอดพ้นก็คือต้องจ่าย z a กาออกไปปลดหนี้ของตัวเองกับอัลลอฮ์ทพานอ า, าลพอถึงเดือนอมดอนก็มีภารกิจในการจูศีลอดก็เป็นเหมือนเป็นหนึ่งหนี้ใครที่ไม่ปฏิบัติ นะไม่ศรัทธาต่อ Allah ไม่ละหมาดไม่ทําสิ่งที่ a l l ลาสั่งห้ามไม่ละทิ้งสิ่งที่ละะตไม่ทําสิ่ง่งทีั่งใช้ไม่ละทิ้งสิ่งที่ Allah สั่งห้ามก็เสมือนคับว่านี่ยังอยู่ที่คอของเขาไร้นาะตัวเรานี่ถูกจํานองเอาไว้กับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยอ a l l ลา Allah บอกเองนะครับในอัลกุรอานของพระองค์ว่า มนุษทุกคนจะต้องผ่านนรกผ่านนรกตรงนี้ อ, อไม่ได้หมายความว่าต้องเข้า น, นรกทุกคนไม่ใช่ต้องไปดูนรกอินละวารีดูเหก็คือต้องไปเห็นนรกคนที่เป็นชาวนรกก็คื อ, อยังไงนะที่เราเคยเรียนว่า อ, อที่เราเคยเรียนในส ش, ุรษะอัลมาอาอิชทิอัลลอฮฺกล่าวบอกว่าอย่างไงอินนาละละ ค, لا, คือแล้วอนาจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะ้ะจะจะจนะเจะจกเหมือนกับะบบจะจะจะจะจะจะจะบะาะจะจะจะจะจะจะ้ะเรจะจะะจะจะจะจะจะเะจะจะจะอะไรจะจะจจะตวัะจะ ตวัดเหยื่อของตัวเองอะเหมือนกับว่านารกเนี่ยจะจะยืน่นที่เป็นมัคคารีมัคารีเป็นนาหมายถึงที่เป็นตะขอมันจะมีตะขอนรกมันจะมีตะขอซึ่งจะคอยเกี่ยวให้ชาวนารกเนี่ยดึงลงไปในในตัวมันนะอุสุเบ ล, ล่ะเอเมนใจเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าพวกเราทุกคนเนี่ยต้องผ่าน คือต้องไปดูเหตุการณ์ต้องไปเห็นนรกก่อนที่จะเข้าสวรรค์ก็ต้องเห็นนรกก่อนทุกชีวิตเนี่ยเหมือนกับถูกจำนองเอาไว้ ก, กับกับการที่เสี่ยงว่าจะเป็นชาวนารกหรือเปล่าอัอุบิลลัฮมิาเกเพราะเราทุกคนติดนี่ อ, อัลลอฮตั๋ลทัคนหมดนะครับยกเว้นอิลลอัลฮับะลยามีนยกเว้นคนที่เป็น ชาวมือขวาคนที่รับสมุดบันทึกจากมือขวาคนที่มีความดีมากกว่าความชั่วของเขาวละเมาอินน na ัสอลุกัลนเจจัลเลนาหมินอัชฮะบิลยามีนขอให้ละตัาล่าให้เราได้เป็นชาวมือขวานะครับคนเหล่านี้แหละที่ถูกเขาเรียกปลอดจำนอง รกไม่เอาเพราะเป็นชาวมือขวาซีจันนาตยาตาซเอลู น, ะะะนชาวมือขวาเหล่านี้นะครับจะได้เข้าสวรรค์อยู่ในสวรรค์ยาตาซเอลูนคอยถามไถ่ซึ่งกันและกันน้องครับจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะชาวสวรรค์นะครับที่ถามไถ่ซึ่งกันและกัน เวลาที่เราได้เข้าสวรรค์อินชาอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าแต่ละคนก็คือนั่งเสพสุขกันคนเดียวในสวรรค์นี่จะมีความสุขเยอะมากมาย แ, และหนึ่งในจนํานวนความสุขที่เป็นตอรบี้อ่ะที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์นึ่มักที่จะชอบคุยชอบที่จะอยู่กันกับเพื่อนฝูงกับคนที่ตัวเองรักกับคนที่ตัวเองสนิทเหมือนเหมือนที่อยู่ในโลกดุนีย์ มีความสุขไหมครับเวลาที่ได้อยู่กับเพื่อนเวลาที่ได้นั่งโมกับพรกพวกนั่งกินชาร้านกาแฟมีความสุขไหมถ้านั่นเป็นความสุขที่เราชอบในโลกดุนาีาในวันอัคราตก็จะมีความสุขแบบนั้นอยอ่ด้วยเหมือนกันมีคนมาเสิร์ฟน้าให้มีบริกรมีคนนวดให้มี <laughs> มีทุกอย่างที่เป็นความสุขนะครับแล้วก็จะนั่งถางไถ่ซึ่งกันและกัน เป็นยังไงบ้างอะไรแบบเนี่ยแต่ยะแต่แชะอารมณของชาวสวรรค์อีกอย่างนึงก็คือถามถ่ยกันถึงชาวนรกอันนี้มุจริมิถามเกี่ยวกับคนที่ต้องเข้านรกอะ่ะซุบฮานัลลอฮ์ในอัลกุรอานพูดถึงการพูดหรือว่าการสนทนา วงชุมนุมทั้งของชาวสวรรค์และก็ของชาวนรกชาวสวรรค์นี่จะคุยกันอย่างนี้เอ๊ะไอ้นั่นมันไปอยู่ไหนแล้วอ่ะไอคนที model, ่เคยว่าเราไอคนที่เคยอต่อต้านเราไอคนที่เคยเยาะเย้ยเราไอคนที่เคยล้อเลียนเราไอคนที่เคยปฏิเสธการเชิญชวนของเราของท่านนบี Muhammad sallallahu alaihi wasallam คนที่เคย ก็อาชญากรรมเอาไว้บนโลกนี้นมันไปอยู่ไหนหมดฮันิลโมชริมีอันนี้ชาวสวรรค์จะถามถึงชาวนรกในขณะที่ชาวนรกก็จะถามถึงชาวสวรรค์ด้วยจะถามกันไปมาชาวนรกก็จะถามว่าเฮ้ยอวะนั้นอยู่ไหนแล้ววะคนที่เราเคยอะเคยล้อเลียนมันสมัยก่อนคนที่เราเคยถากถางมันสมัยก่อนมันไปไหนของมันวะมีนะครับ ใครที่อยากจะรู้ว่าชาวนรกกับชาวสวรรค์นี่คุยอะไรกันบ้างเนี่ยให้ไปอ่านสุรตุลาอาราชาวชาวนรกก็จะถามว่าเอ๊ะมันอยู่ไหนชาวสวรรค์อยู่ไหนและสุรัตุซอดด้วยสุรัตซอดอะไรนะ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار พวกนรกนี่บอกว่ามาลล้ว แลนารา رجال ขึ na na uh um ้นนั้นเราดูพวกเขาในเช้าเอ๊ะทไมในนรกรมันไม่เห็นมีคนที่เราคิดว่าคนพวกนี้มันเป็นคนชั่วคือคนที่ไม่ศรัทธาต่ออะไรเนี่ยก็จะมองคนดีว่าเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีเป็นคนสร้างสิ่งต่างๆที่มันเลวร้ายให้กับสังคมมันก็เลยนึกว่าเราเนี่ยจะเข้านรกกับมันด้วยพอถึงวันที่มันต้องเข้านรกมันก็เลยถามหาว่า คนที่เราเคยว่ามันมันไปอยู่ไหนวะเมื่อไรน่ะทำไมเราไม่เห็นมันในนรกเหมือนกับพวกเรามันคิดว่าเราต้งเขานรกกับมันด้วยแล้วอัลลอฮฺอัลลอฮอัตัคขาน่าฮุสิครียาเอแสดงว่าอะที่เราพูดถึงคนพวกนี้ตอนที่เราอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเราโง่เองใช่ไหม หรืออัมจาตอันห์ฮุลอับซาร์หรือว่าคนพวก น, นี้มันอยู่ในนรกชั้นต่ำกว่าพวกเราเราก็เลยมองไม่เห็นสุภาพรัลคือไม่รู้จะพูดอะไรละไม่รู้จะปลอบใจตัวเองยังไงอ่ะนี่คือคำพูดของชาวนรกนะครับในขณะที่ชาวสวรรค์ก็จะถามว่าไอ้พวกชาวนรกเนี่ยมันอยู่กันยังไงบางบางอายัตถึงกับบอกว่าจะมองเห็น คนที่เคยสนิทกันคนที่เคยรู้จักกันคนที่รู้จักกันดีมากตอนที่อยู่ในโลกดุนยาพอถึงวันอะเครัต ก, ก็จะถามหาว่าหรือจะนึกถึงเออสมัยที่ฉันอยู่ในโลกดุนยาฉันมีเพื่อนคนหนึ่งมันไม่ยอมศรัทธาต่ออัลลอ์ตอนนี้ไม่รู้มันเป็นยังไงบ้างอย่าอัลลอฮ์ยังมีกระจิตกระใจที่จะนึกถึงเพื่อนของตัวเองที่อยู่ในสวรรค์นีนึกถึงเพื่อนของตัวเองดี ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็เลยคุยกันว่าเราไปดูกันไปดูกันว่าอยู่กันยังไงแล้วก็ไปดูเพื่อนของตัวเองที่อยู่ในนรกแล้วไปถามว่าเป็นยังไงบ้างล่ะตอนนี้เมื่อก่อนไม่ยอมเชื่อเมื่อก่อนไม่ยอมศรัทธาตอนนี้เป็นยังไงเหมือนกันเลยครับในโุรัตุลมัดเซซก็จะพูดลักษณะอย่างนี้จะท้อาลูลอนมุจริมน มาซาลกคุมครอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเจ้านี่ต้องมาถูกยักเข้าไปในนรกสักครสาลักกัคคุมสักครหมายถึงว่าโดนยักโดนสมเข้าไปในนรกสักครนี่คือความหมายของคำว่าสาลักแสดงให้เห็นว่า ไม่ได้ยินดีที่จะเข้านรกไม่มีใครหรอกที่ยินดีจะเข้านรกอเราจะอาศัยเข้าไปโยนเข้าไปในนรกสกรักก็แล้วคนพวกนี้ตอบว่าอย่างไงถามตรงนี้นี่ไม่ได้ถามที่จะเอาคําตอบมาใชแล้วข้กุมฟีสกักก็ทําอะไรที่ทําให้เจ้าต้องเข้านารกสกรักก็เอาคําตอบไหมไม่แต่ถามเพื่อลิตรจัจจีลิตรจัจจีหม่ถึงอะไรครับ ฤทธตอบีิขฤทตาจีสลิธตอบีขเป็นการตอบย้ำถึงความเจ็บปวดของชาวนรกนั่งสุเปลนแรกเป็นแสนเลยคำตอบก็คือกอลุลัมนาคุมินัลโมซลีอันนี้คือสาเหตุแรกที่ทำให้คนเข้านรกระหวังให้ดี พวกเขาตอบว่าเราไม่ได้เป็นผู้หนึ่งจากบรรดาคนที่ละห ม, มาดละห ม, มาดนี่เป็นัก a ุลล l า h ัก k ุ l ล a h เป็นสิทธิของ Allah سبحانه าละ ت ع ا ل ถ้าเราไม่ได้ให้สิทธินี้ต่อ Allah Allah ก็จะลงโทษเราลมนักูมินัมุั ล, ลีคนกาเฟรข้างละห ม, มาดด้วยเหรอครับ คนละเฟซจำเป็นต้องละหมาดไหมปุรมะมีความเห็นว่าคนกาเฟซเองก็ขัน้นหล่ะคนกาเฟซเองก็ต้องศรัทธาต่อ a l l ห h ไงเพราะฉะนั้นพวกเขาจะถูกลงโทษ ด, ด้วยเหตุที่ละทิ้งการศรัทธาด้วยและเหตุที่ละทิ้งการละหมาดด้วยนะอัลลอฮเป็นห์มินดาลินะครับประการแรกสาเหตุที่ทําให้คนต้องเข้านารกประการแรกเลย ก็คือการละทิ้งการละหมาดเอาเราละหัวใจละเวลาซึ่งถ้าเป็นมุสลิมการทิ้งละหมาดมุสลิมมุสลิมถ้าทิ้งละหมาดก็เหนื่อยเหมือนกันไม่ได้ตากเลยอายตินี้เนี่ยอาจจะพูดถึงกาเฟรแต่ทางว่ามุสลิมที่ไม่ละหมาดละ่ะมีฮัดิสมากมายที่เตือนนะครับถึงภัยหรือว่าโทษของคนที่ไม่ละหมาด ไม่น่าเชื่ อ, อนะครับว่าการละหมาดเนี่ยมันจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราได้เยอะมากคนที่ไม่เคยละทิ้งการละหมาด ก, กับคนที่ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างกับคนที่ไม่ละหมาดเลยทำไมมันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอะ่ะถ้าเราคิดว่าการละหมาดมันไม่มีอิทธิพลต่อชีวิตเราทำไมมันไม่เหมือนกันคนละหมาด ก, กับคน คนไม่ละหมาดทำไมมันไม่เหมือนกันทําไมมันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดระหว่างคนละหมาด ก, กับคนไม่ละหมาดพฤติกรรมก็ต่างความผิดอ่านก็ต่างการดูแลตัวเองไม่ให้ทำเมะเสียต่อโลกสุภาตระลาก็ตกต่างกันมากอันนี้เราต้องอย่ากลิ่นต้องเชื่อมั่นว่าการละหมาดมันสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เราตกหลุมพรางของชัยตนได้จริงๆ อินนั้น صلاة ตั้นหะณฟะฮ์ชัยวัลมุนครแท้จริงแล้วการละหมาดนี่สามารถที่จะหักห้ามเราจากการทำชั่วทำผิดทำบาปต่อหลอกสุภาอัลลอฮฺได้คนที่ละหมาดดียิ่งดียิ่งป้องกันตัวเองจากบาปได้ดีที่สุดอันนี้คือข้อเท็จจริงที่อัลกุรอานพยายามที่จะบอกเรา และเป็นข้อเท็จจริงที่ท่านนบีสุลต่านละอัลสันลังเองได้สอนประชาชาติของท่านด้วยการทําตัวอย่างอย่างดีเยี่ยมละหมาดสําหรับท่านนบีสุลต่านละอัลสันลังไม่ใช่เป็นเพียงแค่ฟ ardu หรือคําสั่งใช้ที่จําเป็นต้องปฏิบัติละหมาดสาหรับท่านนบีสุลต่านละอัลสันลังเป็นที่เยียวยาหัวใจเป็นที่พักผ่อน เป็นที ward, ่ที่จะได้เข้าหาอัลล์ุานตลวิงวอนร้องเรียนเป็นสถานที่ที่ใช้แก้ปัญหาชีวิตฮะจับะอิจาฮะบะอัมรฟะซีอลศัลาห์เวลาที่ท่านนบีมีเรื่องทุกใจเนี่ยท่านจะรีบไปละมายยยลาีนาอิสตอีนบิบรัศลา วาสตาอินุกับซาบเรวาสลาในอัลกุรอานพูดถึงการขอความช่วยเหลือด้วยสองอย่างนี้ด้วยการละหมาดและการอดทนพวกเราต่างหาวิธีการที่จะทำให้ชีวิตนั้นรอดจากอุปสรรคต่างๆจากความยุ่งยากต่างๆที่เราต้องพบในแต่ละวันเราไปหาที่อื่นเราไม่ได้หาในละหมาดเราไม่ได้หาด้วยความอดทน เราไม่รู้จักคนข้าวสารละหมาดจริงๆนะครับดังนั้นคนที่ไม่ละหมาดจึงสมควรแล้วที่จะเป็นชาวนารกเอัลุบิลลิมซาเลกมันเป็นฮักกุลลนะครับถ้าเราไม่มีละหมาดเราจะแสดงตนว่าเราเป็นบาวของละตะลาได้อย่างไรไม่มีทางนะครับทุกศาสนาจะมีศาสนกิจหรือภารกิจที่จะใช้ที่จะแสดงว่า คนคนนั้นนับถือศาสนานั้นจริงๆใช่ไหมครับคนพุทธก็มีภารกิจของเขามีศาสนกิจของเขาที่จะแสดงว่าเขาเป็นพุทธคนคริสต์เขาก็มีศาสน ก, กิจของเขาที่แสดงตัวว่าเขานั้นเป็นคริสต์แล้วเราล่ะเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมเราจะแสดงตัวยังไงว่าเราเป็นมุสลิมถ้าเราไม่ละมา่เราไม่แสดงว่าเรานั้นเป็นมุสลิมอันนี้นะเป็นอาชญากรรมที่หนักหน่วงมาก เราแต่ละใช้คําว่าอัลมูจริมินบรรดาอาชญากรนะเหมือนกับว่าคนที่ไม่ลำหนี่เป็นอาชญากรที่ถูกเข้านรกของโลกสุภาหนองสามแล้วหมดนะครับสาเหตุอันที่หนึ่งสาเหตุอันที่สองอวัลัมนาคุนุตไอมุลมิสกีนและเราไม่เคยให้อาหารแก่บรรดาคนยากจนการให้อาหารแก่คนยากจนเป็นฮัก ทักกุลไอ้แม่เป็นสิทธิของเพื่อนมนุษย์ข้อแรกเป็นบาปที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของอัลลอฮ์ข้อที่สองเป็นบาปที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเพื่อนมนุษย์ที่เราจําเป็นจะต้องดูแลอข้อนี้รู้สึกว่าเราจะเรียนมาค่อนข้างที่จะหลายครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในสุระอัลมาอูนอัลมาอูนก็มีเหมือนกันละหมาด ก, กับไม่ช่วยเหลือคนอื่นละหมาดไม่ตรงเวลาละหมาดนอกเวลา ในโซโลตุลมาอุ้งก็เกี่ยวข้อกับการละหมาดและก็เกี่ยวข้องกับการดูแลคนคนยากจ น, ม, นมันเหมือนกับว่าภารกิจหรือว่าหน้าที่ในการดูแลคนอื่นเนี่ยมีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหน้าที่ที่เราต้องทําให้กับอัลลอฮฺสุลตานอาวลตาลานะครับเคยได้ยินไหมครับฮั ด, ดีิสที่บอกว่าเวลาที่บ่าวคนหนึ่งไปเจอกับอัลลอฮฺตาลาอัลตาลาก็ถามว่า ฉันป่วยเธอไม่มาเยี่ยมฉันฉันหิวเธอไม่มาให้อาหารกับฉันเอ้ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ป่วยด้วยเหรอนั่นอลลอฮ์หิวด้วยหรอไม่ใช่อนะัลลอฮ์ตะลาก็อธิบายหลังจากนั้นว่าบ่าวของฉันป่วยแต่เธอไม่ได้ไปเยี่ยมเขานะบ่าวของฉันอดอาหารแต่เธอไม่ได้ให้อาหารเขาอัลลอฮ์ตะลาเหมือนกับจะจะเอาเรื่องเนี้ย เหมือนกับว่าเป็นเป็นเรื่องของพระองค์เองเลยเพราะฉะนั้นจึงอยู่ด้วยกันนะครับอวัลลัมนาคุโนสัยมมลิสกีนเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งตกเป็นชาวนรกได้ต้องให้ความสำคัญต้องมีส่วนเราบอกแล้วว่าฟีอัมวาลิหิมพักกุญมาลุมทรัพย์สมบัติของเรานั้นมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เป็นสิทธิของคนอื่น การเอาสิทธิส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินของเราให้คนอื่นเป็นภารกิจของเราและผมไปบอกว่าการที่เราเอาส่วนนั้นไปให้เขาเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องให้เขามากกว่าที่เขาต้องการรับจากเราได้ซ้ำอันนี้เป็นปรัชญาที่สูงมากต้องทาความเข้าใจให้ดีบางทีพอมีคนมาขอสละก้อนจากเราเรานึกว่าเขาเนี่ย มีความจำเป็นต้องการสดะกอ้อจากเราจริงๆแล้วเรานี่แหละที่จำเป็นต้องให้สดะกอ้อกับเขามากกว่าที่เขาจะต้องรับสละก้อจากรเราด้วยซ้ำหนึ่งเพราะการสดะกอ้อถ้าเป็น z a าก a า t วายิธถ้าเป็นสุนัตโอ้เราได้กลับมาเท่าไหร่เวลาที่เราให้หนึ่งบาทกับคนที่มาขอบริจาคคนบริจาคได้เท่าไหร่ ได้หนึ่งบาแต่คนให้ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับได้เจ็ร้อยตกลงคนให้หรือว่าคนรักที่จาเป็นต้องปฏิบัติมากกว่าเรามองไม่ออกเรามองว่าคนมาขอสดกการะนี่ต้องการจากเราทำไมเราไม่มองว่าเรานี่แหละต้องให้กับเขาเพื่อที่เราจะได้รับมากกว่านั้นจากอัลลอฮฺสุบฮานาันาลอ เราองเาตีโจทย์ไม่ออกเพราะฉะนั้นเราก็เลยเกลียดคนที่มาขอสดกักก่อมาแล้วไหม <laughs> ท, ท, ทั้งๆที่เวลาที่คนมาขอส น, นักก่เราต้องพูดว่าอย่างไงอัลฮ <t> ัมดุลิลลาห์ฉันมีคนที่จะสดักก่อแล้ววันนี้เนี่ยอัตอะมุลมิสกินให้อาหารกับคนยากจนนี่ถามว่าเราทําทุกวันหรือเปล่าทําไม่ได้เราจะไปหาคนยากจนที่ไหน ม, มีหรอกคนเราทุกวันเนี่ยไม่ได้ว่าไม่มีหรอกที่ทําอาหารจากบ้านใส่กล่องใส่หออย่างดีแล้วไปหาคนยากจนไปแจกอาหารไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคนยากจนมาหาถึงบ้านเราเนี่ยขอบคุณอล l l a h เลยเราได้ให้อาหารกับคนยากจนขอดุอาก็ได้ยาอล l l a h ขอให้มีคนยากจนมาหาฉันทุกวันหน่อยเถอะจะได้ทําตามนะภารกิจขอ้อมีของเราทุกวันนี้เราไม่ได้ทําความดีนี้เลยน้อยมากที่เราทําความดีข้อนี้ เราจะทำยังไงจะวางแผนตัวเองอยังไงให้ให้มีอบดดะที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอยู่ด้วยพี่น้องครับคนใกล้ตายเขาจะขออะไรคนใกล้ตายอ่ะเขาจะขอทำอะไรมากที่สุดรู้ไหมตเ า, าบอกว่ายัลลอลลอัลอัลอัลออลัิิ และม ن ุษย respe no ์ที่ท ل เช่นนั้นจะเป็นผู <t> ้แพ <t> ้และผู้ที่ทำเช่น ن ั้นจะเป็นผู้แพ้และผ ر ้ที่ทำเช่นนั้นจะเป็นผู้แพ้และผู้ที่ทำเช่นนั้นจะเปที่ทนั้นจะเนผู้พ้แะผู้ที่ทำเชั้นจะเป็นผู่ทำเน้นจะเป็นผู้แพ้ล้่นเพ้แะเนจแล้เจะ้่จะเปล้่ชัเล้่นันน่อย ขอให้ฉันได้บริจาค ก, ก่อนทำไมต้องขอบริจาคทาไมไม่ขอละหมาดทำไมไม่ขอถือศีลอดทำไมไม่ขอสิเกตทำไมไม่ทำไมต้องบริจาค ก, ก่อนตายอันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของอิบัตั์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเพราะการทำอิบาตัดด้วยการบริจาคเนี่ยมันจะมีผลที่ยั่งยืนมากเวลาที่คุณละหมาดละหมาดห้านาทีคุณก็ได้แค่ห้านาที ละมาดสิบปีคุณก็ได้แค่สิบปีแต่เวลาที่คุณบริจาคยิ่งถ้าเป็นการบริจาคที่เรียกว่าวกัฟซ ah าด akah j a r i a เนี่ยคุณบริจาคแค่หนึ่งร้อยวันนี้แต่มันจะไม่ใช่หนึ่งร้อยเด็กขาดมันจะเพิ่มฟูมันคุณตายไปแล้วกี่ปีกี่มันก็จะเพิ่มฟูนั่นแหละคนใกล้ตายก็เลยอยากจะบริจาค เพราะฉะนั้นเราอย่าให้ความตายมันถึงก่อนที่จะบริจาเวลาที่ความตายมันถึงแล้วเนี่ยแล้วตาลาบอกว่าอย่างไงไม่มีแล้วไม่มีทางที่จะยืดเวลาให้แนมะ้แต่สักนาทีเดียว <c oughs> เพราะฉะนั้นวางแผนตั้งแต่วันนี้ว่าจะบริจาคอย่างไงจะให้มีการทำเอมาดัตแบบถ้าเราขี้เกียจที่จะก้มก้มเงยเงยแล้หมานี่ขี้เกียจไหม บางคนนี่ขี้เกียจละหมาดอะอเราไม่บอกว่าเราขี้เกียจกันแล้วกันแต่จะบอกว่าบางทีก็คือเอาขอที่สุนัตเนี่ยบางทีเราก็ไม่ทันบ้างทํางานเยอะก็เลยไม่ทันที่จะละหมาดละหมาตสุนัตละหมาตต่หัดยุติไม่ไหวโอเคไม่ละหมาดสุนั ต, ต, เ, นตเพราะมัวแต่ทํางานอย่าให้เสียอิบาดัดที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเพื่อที่จะไปทํางานหาเงินแล้วไม่ได้ทําอิบาดัดเกี่ยวกับเงินอะ ถ้าเราพลาดอิบารัดเกี่ยวกับร่างกายอย่าให้พลาดอิบารัดเกี่ยวกับทรัพย์สินแล้วก็เงินที่เราหามาต้องฉลาดในการบริหารจัดการอเคเรตของเราเข้าใจไหมครับช่องทางในการทําดีมันมีเยอะฉะนั้นต้องรู้จักแบ่งแบ่งส่วนว่าเราจะเอาอยัางไงนะครับละมาที่วายิปเราไม่ต้องพูดถึงมันจําเป็นอยู่แล้วไอ้ที่ซุนนันเนี่ยจะเอาอยัางไงอันไหนที่เราไม่ควรทิ้งอันไหนที่เราต้องทําเป็นประจํา มาซับสินเงินเดือนหรือรายได้ที่เราได้มาในแต่ละเดือนเราจะบริจาคออกไปเท่าไหร่ในแต่ละเดือนใช้ในการเพื่อให้มันมีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุข้อที่สองก็ค <ame> ืออวไลล่นครุนต่อยมูลมิสกีข้อที่สามคืออะไรครับ สมัยก่อนตอนที่เราอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเราเป็นพวกที่ยาคูดุมาอัลคออิดีนคูดุมาอัลคออิดีนหมายถึงเป็นคนที่ เ, เข้ากลุ่มกับพวกที่ชอบพูดเร็วๆพวกที่ชอบทำเร็วๆเราไปอยู่กับพวกนั้นด้วย ระวังให้ดีจริงๆแล้วคำว่าอัลเข้าเนี่ยหมายถึงการดำน้ำอัลเข้าอย่าคู่ดูฟิม l ะการเข้าไปอยู่ในน้ำเรัแต่ละเอามาใช้เป็นเาเรียกว่าเป็นการเปรียบเทียบ ม, มันกับว่าอัลคออิดดีเนี่ยหมายถึงคนที่ชอบตั้งกลุ่มตั้งวงวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะหรือ ซึ่งนิสัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนิสัยของพวกมนาฟิกและพวกกุฟฟาร์เราจะเป็นละห์มันซาลต์มุสลิมไม่ควรมีนิสัยแบบนี้ครั้งหนึ่งถ้าใครจฮาฮะดีษเขาบอมรารยาทในการในการใ น, ในการนั่งอยู่ริมถนนท่านนับีเคยห้ามซาฮับไม่ให้นั่งอยู่ริมถนนอ่ะมันเป็นปกติคนบอกแล้วคนเรามันชอบอะ่ะ ชอบที่จะนั่งอยู่ร้านกาแฟชอบที่จะนั่งกโดยเฉพาะพวกผู้ชายถ้าผู้หญิงนี่จะนั่งอยู่ที่หัวกระไดบ้างเห็นไหมอันนี้นั่งอยู่ร้านกาแฟเวลาที่นั่งอยู่ริมถนนเดินทางเนี่ยสหบบายบอกท่านท่านบีว่าทําไม่ได้<笑><笑>มันก็หยุดหยืดมันเป็นมันเป็นประเพณีมันเป็นวัฒนธรรมของคนไปแล้วท่านบีบอกว่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จงให้สิทธิ์กับถนนด้วย อย่า้คือสิทธิ์ของถนนอย่าไปกียดขวางการจราจรของคนอื่นเวลาคนอื่นให้สลามก็ต้องรับสลามต้องมีมารายาทเพราะฉะนั้นนั่งเฉยเฉยนี่ก็ไม่ได้อย่าให้มันเสียเวลาต้องมีมารายาทแล้วนักภ า, าษาอะไรนั่งแล้วนั่งวิพ า, ากอ์อวิจารณ์เฮ้ยไอ้วนั้นมันจะไปไหนวะไอว้วนั้นทุกใครมาวะ <laughs> มันกลายเป็ น, <laughs> ก, ลปน <laughs> กลายเป็นกิจวัตรประจําวันที่เรา <laughs> มีไ้มครับในสังคมเรื่องแบบนี้ อันนี้อัลกออิดีนเนี่ยตรงนี้จริงๆแล้วอัลกออิดีมันหนักกว่านั้นคนที่ด่าทอคนที่สักแช่งคนที่ถากถางอิสลามมุสลิมคนที่พูดวิาพากวิจารณ์เสยียหา ย, ห, ายหรือถ้าจะหนักกว่านั้นก็คือคนที่ตั้งกลุ่มกันเพื่อที่จะต่อต้านอิสลามเหมือนกับบรรดาชาวมุชริกินอไรชอาวจะเปบนเลรฮะบรรดาลินะ และพลวัลแะกุรอานอัลลอฮ์ลลาห์นะอัลลพูดถึงพวกนีเ้เกี่ยวกับพวกมนาฟฟกนะครับ mm hmm. ก็มีนะครับ mm hmm. ในสูรุตุลน mm ิสัสูรุตุลอันงามเช่นเดียวกันนะ mm hmm. อย่างไรก็ตามนะสภาพแบบนี้ mm hmm. เป็นสภาพที่ตรงกันข้ามกับบรรดาผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาจะไม่มีนิสัยแบบนี้ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره มีคําสังนอั์คุรนบอกว่าอย่าได้นั่งกับคนที่ชอบวิภาควิจารคนอื่นหรู้ว่าวิภากวิจารน์จริงจริงเราอายัดนี้เกี่ยวข้องกับคนที่มันนั่งวิภากวิจารอัลกุรอานพูดต่อต้านอัลลอ์พูดในเชิงลบกับศาสนาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบัลลีสของพวกมุนาฟิโกรนะออ ฮ, ฮุ ล, ล์ิ ล, ล แล้ตอ่านสั่งห้ามไม่ให้เข้าให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนพวกนั้นอันที่สี่ให้จบนะครับวกุล น, นุนคาซิบุบเยวมิตดีนและเราเป็นผู้ที่ปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนเรามองว่ามันเป็นเป็นเรื่องเท็จฮัตเจอาเจนเลียกีนจนกระทั่งอยู่ในสภาพนี้ละหมากก็ไม่ละหมาด ให้อาหารกับคนมิสกีนก็ไม่ให้แล้วตั้งวงกันพูดกันไม่รู้เรื่องไร้สาระไปวันๆแล้วไม่ได้ศรัทธาต่อวันอคัคราตเลยดูอย่างนี้เป็นกิจวัตรประจําวันของมันทุกวันทุกวันทุกวั น, วนจนกระทั่งฮัตแทอัจแนลลียกีนความมั่นใจได้มาถึงความมั่นใจคืออะไรความมั่นใจก็คือความตาย <c oughs> ไม่มีอะไรที่จะมั่นใจมากไปกว่าความตายอีกแล้วตอนที่ยังไม่ตายเนี่ย จริงหรือว่ามีหรือเปล่าวะใช่อย่างงั้นไหมใช่อย่างนี้ไหมแต่พอใกล้ตายเนี่ยมนุษย์จะเห็นทุกอย่างพอใกล้ตายวิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยอะไรก็เชื่อหมดแหละเมื่อก่อนไม่เชื่อแปลกไหมครับเพราะฉะนั้นเราแต่ละก็เลยใช้คาว่าอัลยากีนกับความตายเราจะทำยังไงให้เรายากีนก่อนที่ความตายจะมาถึง อย่าให้ความตายมาถึงแล้วจะค่อยยักยอกีต้องยักยอกีก่อนหน้านั้นอ่าต้องมีเขาเรียกว่าก่อนที่จะได้เห็นด้วยตาด้วยตาเนี่ยด้วยตาเปล่าเนี่ยเห็นอย่างชัดเจนด้วยตาเปล่าขอให้เห็นด้วยใจก่อนถ้าเราเห็นด้วยใจด้วยความมั่นใจแล้วเนี่ยเวลาที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาละ ข้อแรกว่า علم اليقين อคือ่ะหลกความลคือล่ะทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้ง้งทัทั้งท้ั อย่าให้ความตายมาถึงโดยที่หัวใจของเรายังไม่อยา ก, กีเพราะมันจะมีปัญหาเราจะไม่ศรัทธาต่อหลอกหลอนอะลรคนเราสามารถที่จยะยากีได้ด้วยตาที่เรียกว่าตาใจเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อใจอะไรเขาตาที่ใจที่มันเป็นตาเป็นตาทิพยไม่ใช่ตาทิพอะไรก็ไดยอ่ะบอสซีร์หออ่าใช่ภาษาอังกฤษภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรหัวใจ ม, มันก็มีตา ผมไมเรียกคำไม่ถูกใจสามารถที่จะเข้าถึงสัจธรรมได้ถึงแม้ตาจะมองไม่เห็นเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นต้องยักินต้องสร้างความยากินให้ได้ก่อนที่ความตายจะมาถึงสร้างยังไงความยากินด้วยการเรียนเรียนอัลกุรอานข อ, องอัลลอฮฺ سبحانه และเรียนที่อัลลอฮาสอนเราเรียนที่ท่านนบีสอนเรา เพราะคนก่อนหน้าเราได้ยักยินมาแล้วแน่นอนคนที่เรียนอัลกุรอานจะเกิดความยักีนอย่างแน่นอนไม่มีอะไรที่จะยักีนมากไปวกว่าอัลกุรอานอีกละอัลิฟลามิน ذلك ال الكتاب لا ريب فيه ไม่มีความสงสัยใดใดอีกในอัลกุรอานเกลี้ยหดันลิลมุตักยินใครที่เรียนอัลกุรอานเขาจะพบกับความยักีนจนกระทั่งแลชักกะบะดเดือไม่มีความสงสัยอีกตั้งฉาก ปัญหาก็คือว่าที่เรายังสงสัยอยู่สงสัยอยู่บางคนยังมีอะไรเพราะเราไม่ได้เรียนคนที่เรียนเขาจะไม่สงสัยว่ามันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีช่องว่างให้สงสัยในคออานาําปีหลอกลวงสุภาในอัลต้อัลลาใครที่ยังมีความสงสัยดูยตัวเองต้องเรียนส่วนใหญ่แล้วคนที่พูดมากหมายความว่าคนที่ตั้งคําถามเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่เรียน เป็นคนที่ไม่อ่านเราไปคุรกานเป็นคนที่ไม่ได้อ่านคำภีต่อลรองสุภาพก็เลยมีคําถามนั่คําถามนี่เยอะแยะไปหมดคําถามเชิญสงสัยอ่ะเชิญตั้งคําถามแบบไม่ได้ต้องการที่จะอ่อยากจะทำแต่ตั้งคำถามเรื่อยๆเขาไม่ได้อ่านเราไคุรกานแต่ถ้าเขาอ่านเราไคุรกานนะอ่านให้จบด้วยนะอ่านให้จบอ่านจบแล้วอ่านอีกครับรองครับ มันจะค่อยๆหมดไปเองหมดไปเองหมดไปเองโ ด, องดยอัตโนมัติกล้าหรือเปล่าที่จะเรียนอัลกุรอานแค่นั้นเองกับคนที่สงสัยมากๆเนี่ยลองถามเขาดูสิว่าคนกล้าที่จะเรียนอัลกุรอานไหมหรือว่าไม่กล้าไม่กล้าเพราะอะไรเพราะเวลาเรียนอัลกุรอานแล้วความสงสัยมันจะหมดไปก็เลยไม่กล้าเรียน <laughs> ต้องถามเ้ากล้าเรียนไหมอ่ะมัวแต่ตั้งคําถามมัวม่ว <laughs> กล้าไหมที่จะเรียนอัลกุรอานแล้วดูซิว่าความสงสัยมันยังจะมีอีกไหมอันนี้แหละจุดนี้แหละที่เป็นจุดที่บรรดาพวกมุสลิมนเนี่ยพยายามที่จะเล่นงานอลัลลอฮ์ลอิบนะฮ์อิร์ห์ตอนต้นของสุระจำได้ไหมครับเกือบเจะไปละเกือบจะไปแล้ <c oughs> <c oughs> แลเพราะว่าโดนนิดเดียวโดนโด น, โดนอัลกุรอานที่ท่านนบีอ่านให้ฟังแค่ไม่กี่อายัดไปเลยครับคนฉลาดที่สุด ของพวกโเรชในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นมันอยู่ตรงนั้นเอ๋คนที่ไม่ยอมเชื่อคนที่ไม่ยอมเพราะไม่กล้าที่จะเรียนเราก็รานถ้าเขากล้าที่จะแหกความรู้สึกหรือทิฐิหรือร อ, อีโกโ้ที่คนคอยคอยชักจูหรือคอยอะไรคอยคอยคอยโต้ยุ่คอยอะไร้งเรียก คอยคอยไม่ใช่เชิดนะคอยอะไรคอยสุมคอยคอยพลักยังมีคนคอยผลักไปเถอะเอาเถอะเอาเถอะคอยเชียร์อยู่มีคนคอยเชียร์อยู่ก็เลยไม่กล้าที่จะนะไม่กล้าที่จะไปลองฟังสัจธรรมของอัลลอ์สุบฮานะอรแค่นั่นเองสุบฮานอัลลอฮ์ฟะเซบบิหบิสมิรับบิคะลอิซิม อะไรนะขัณณันอายะน์อันวายังไงนะ وَإِنَّهُ لَحَقُ ا, ي ي إ ل ي َ ق, ق ِ ي ن ِ وَإِنَّهُ ل َ ت ذ ك ت ق ق ك ْ ك ِ ر َ ة ٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّهُ لَحَصْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُ ا ل ق ق ين. ين ق ق ي َ ق ِ ي ن ِ ف َ س َ ب ِ ح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ وَإِنَّهُ لَحَقُ ا ل ي َ ق ِ ي ن ِ عِلْمُ ا ل ي َ ق ِ ي ن ِ عَيْنُ ا ل ي َ ق ِ ي ن ِ حَقُّ ا ل เอลมุลยาคินความรู้ที่นําไปไปสู่การยักยินมั่นใจไอ้นุลยาคินเห็นด้วยตาก็เลยเกิดความมั่นใจฮั ก, กุลยาคินสัจธรรมที่ไม่มีข้อสงสัยอีกหลังจากนั้นก็คืออัลกุรอานอัลกอราม์แต่ซาบบิสมิรัรบิกัลอเรามคนที่ค้นพบสัจธรรมจากอัลกุรอานเนี่ยเขาจะเอ่ยออกมาทัานทีแต่บะบต่ซบะ บ, บ, บออกมา ด้วยความรู้สึก ข, ของเขาโดยทันทีว่าสุบฮานะตะวีนะอัลลบนาอฺสุบฮานอัลลอฮฺนะครับสิ่งที่เราตละลาเรามาสอนข้อสัจธรรมของพระองค์ไม่มีข้อสงสัยจริจรงๆไอ้ที่มันเกิดข้อบกพร่อ ง, ต, งต่างๆนานาทั้งหมดไม่ใช่มาจากอัลลอฮ์แต่มาจากเรานี่เองที่ไม่กล้าจะศึกษาสัจธรรมของอัลลอฮฺสุบฮานะอัลลตะลาเานะแล้วนะครับแค่นี้ก่อนอายัดต่อไปก็คือ ฟ้ามา ف, ف, ف ي ي ั ف ف ้งฟ้าของชั ا นฟ้า ا ั ش ชั ا นฟ้เอินชาอัลลอฮ์เราจะไดรเรียนชรื่ฟาองกาฮ์รินคันช่ฟาอารัลฮ์ในวันอัครานั้นมีเงื่อนไขอะไรบ้างจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์โดยเฉพาะอุมะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะสันลมีสิทธิ์ที่จะได้รับชั้นฟ้เพราะเป็นประชาชนของท่านนบีมุฮัมมัดแต่คนกาฟฟิรพวกนี้ไม่ได้รับชัฟ้ของท่านนบีมุฮัมมัดเพราะอะไร จะมาเรียนนะครับว่าเงื่อนไขของการา a a t นั้นมีกี่อย่างที่อัลลอฮ์สุภาวันจะอนุมัติให้คนคนหนึ่งได้รับฉา a t จากบ่าวคนหนึ่งคนใดได้อัลลอฮ์ تعالى ซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฝูฮานะรับบิรบิอิะสุล س ل ا م على ا ل م س ل ي الحمد لله ر ا ل ع س ل ا م عليكم ورحمة الله ك